บุ๊กทูห้าสิบสีชวนโนชวนโนซื้อของกนากาดากนากาดาดิฉันต้องการซื้อของขวัญอาม่แอคตาอุปหารกินเทใจอาม่แอคตา อุปหรสกินเตี๋ยแต่เอาที่ไม่แพงมากกินตู้คู่เบสิดามินนะกินตู้คูบเบสิดามินาะอาจจะเป็นกลับพาวรือหอยทอเอ็ตาฮัทแบกหอยทอเอ็ตฮัทแบก ค, คุณอยากได้สีอะไร आ प न र าร์กุณร प ค์พั न र ันโดอับนาร์กรงชชดสีดำสีน้ำตาลหรือสีขาวกาล ব াาดามีাาชัดากาลูบาดาบใบใหญ่หรือใบเล็กบรูน่าบรนาช ขอดิฉันดูใบนี้หน่อยได้ไหมคะอามิกิ้อติตาดิค์เตปารีอามิกี้อตาดิค์เตปารีใบนี้ทำจากหนังใช่ไหมคะอติตากี้รตัวรีอตากจรัตรีตรตรหรือว่าทำจากพลาสติกนักี้อตาพลาสติกดีตัวรีนักี t อตา พลาสติกเดียตุยดีทำจากหนังแน่นอนค่ะออบชูช่วยจำระเดียตุยดีออบชูช่วยจำระเดียตุยดีใบนี้คุณภาพดีมากค่ะอิตาคูบบาลูมาเนร์อิตาคูบบาลูมาและกระเป๋าถือใบนี้ก็คุ้มค่าราคาจริงๆนะคะ เอโง่แบกตีชุดที่คูปส่งก็ตัวดามิร์เอโง่แบกตีชุดที่คูป দ ่งก็ดิฉันชอบค่ะเอตาอามาร์พ่อชุนโด้เอตาอดิฉันเอาค่ะ ดิฉันจะเปลี่ยนได้ไหมคะถ้าต้องกา ร, รโโจุดที่โปรเจกชันไฮถ้าฮัลอบลาเตปารีจุดที่โปรเจกชันไฮถ้าฮัลิกิอไดลตปได้แน่นอนคะ่ะอบุณขอบคุเราจะห่อของขวัญให้คุณ আমরা এটাকে উ প হ া র ภารีร์มตุেินธิดเাบโวอามราอิตาเกอุปภารีร์มตุบิเที่จ่ายเงินอยู่ทางนั้นค่ะ ক্যাশিয়ার ও খ าเนียเซนแ য ชเชียร์โอค